มันนี่เรามารวมกันเพื่อทำความสงบสงบกายกายก็นั่งนิ่งนิ่งไม่ไหวติง่งสงบใจหยุดคิดตั้งสติสํามวมจิตให้แน่วแน่ ในเบื้องต้นนี่ไม่ต้องคิดอะไรเพียงแต่ดูลมหายใจเข้าออกกับความรู้สึกนั่นแหละปกติของขิดนี่ถ้าไม่ควบคุมแล้วมันก็คิดไปคิดมาน่นโน้นนี่นีนนน่อยู่งั้นนีมันสงบอยู่ไม่ได้ พอมันยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แล้วมันก็เอามาปรุงมาแต่งแบบที่เราไม่ให้มันปรุงมันแต่งกำหนดใจละอารมณ์ต่างๆที่ใจยึดถือเอาไว้นั้นให้หมดไปอาศัยสติเนี่ยสำคัญนะ เมื่อสติเข้าไปควบคุมจิตได้จิตก็หยุดคิดลงได้ถ้าสติอ่อนแอแล้วจิตจัไม่คิดเลยดังนั้นให้เข้าใจความหมายของการทำสมาธิภาวนาถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เรียกว่า เราพักจิตไม่ให้มันคิดพุ่งซ่านไปมามันอ่อนแอถ้าคิดมากเข้าไปมันไม่มีกำลังเข้มแข็งอย่างร่างกายนี่แหละเมื่อใช้มันทำงานมากๆเกินขอบเขตมันก็เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรง ถ้าให้ได้พักผ่อนหลับนอนไปนิ่งๆอยู่จากพักหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมามันก็มีกำลังเรียวแรงดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นนี่ยจิตนี้เมื่อเราฝึกแค่มันหยุดมันพักไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมันอยู่นิ่งๆไปพอสมควรอย่างนี้มันก็ มีกำลังเข้มแข็งดีมันก็เบิกบานดีนั่นแหละยานั้นการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการพักผ่อนจิตใจในขั้นต้นเมื่อใจมีกำลังดีแล้วก็ทำงานต่อได้แก่การ คิดการพิจารณาแบบนี้น ะ, ะพิจารณาในสิ่งที่ต้องการรู้ไม่ใช่พิจารณาปรำประาทั่วไปสิ่งใดที่ยังไม่รู้ยังสงสัยก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้ง <c oughs> เมื่อเราจำกัดในการคิดการพิจารณาให้มันอยู่ในขอบเขตพอดีพอดีอย่างนี้จิตใจมันก็ไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพียเท่าไหรนะ่นักมันได้สมาธิเป็นกำลังดัง <c oughs> นั้นให้พึ่งเข้าใจ ความหมายของคำว่าภาวนาเรียกว่าจิตใจมันทำงานทำไมล่าจึงทำงานเหตุที่ทำก็เพราะว่าใจนี่มันถูกอวิชชาตันหาครอบงำมันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อน บัดนี้เรารู้ตัวแล้วว่าที่เป็นทุกข์มาในสงสารเพร า, เพราะรู้อำนาจแก่อวิชชาตันหาเกิดมาชาติใดก็ไม่ยอมละมันไม่ทำความเพียรละมันมันก็จูงไปตามประสงค์ของมันมันจูงไปทำบาปใส่ฆ่าสัตว์ใส่รักทรัพย์ ไปก็พฤติผิดในกามได้กล่าวมุสาวาดื่มสุ ร, ราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็ไปตามมันนี่เมื่อตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาตันหาแล้วมันก็มกักจะไปทำบาปนั่นแหละมากกว่าที่จะมาทำบุญผู้ใดมาเห็นโทษของอวิชชาตันหาอย่างว่านี่นะ มันก็จึงยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสเหล่านี้โดยอาศัยสมาธิเป็นกำลังใจทำใจให้ส ง, งบลงไปเมื่อใจตั้งมั่นโดยดีแล้วกิเลสเหล่านั้นมันมา จะมาจูงใจให้ถ้าเยทยานอยากไปในทางที win, shepherd, mm ่เป็นบากเป็นโทษต่างๆดังกล่าวมานั้นมันก็ไม่ไปตามบบบนี้นั่นเอยมันก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าการที่บุคคลจะได้เสวยทุกทนทรมาน อยู่ในโลกนี้ก็ดีหรือในย ม, มนโลกก็ดีมันกระล้วนตั้งแต่ปล่อยตนไปตามอำนาจของอวิชชาตันหาทั้งนั้นบัดนี้เรารู้ตัวแล้วเราจะไม่ไปตามมันเราจะหยุดนิ่งเราจะทำความรู้เท่าความคิดความจำความหมายต่างๆ ความคิดความจำหมายเหล่านี้เป็นนามธรรมาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกำหนดรู้ความจริงของความคิดความจำความหมายความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้น เห็นความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายอยู่อย่างนั้นอวิชชาตัณหามันก็ก่อตัวไม่ได้วันนี้นะเพราะมันพริกแพงเปลี่ยนแปลงจากสมมุติลบล้างสมมุติต่างๆทิ้งไป สมมติที่ว่าเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เราอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราว่าเขาอยู่อย่างนี้เราล็กสมมติอันนี้ทิ้งออกไปเลยไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นมาเช่นนี้แล้วอวิชชาตัณหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ความรู้ความเห็นอ น, นั้นมันก็เป็นทำไปแบบนีนะ้เป็นธรรมพราะมันเห็นตามเป็นจริงความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆความคิดอันประกอบไปด้วยอวิชชาตันหาเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อรู้เท่าทันองามคิดความจําหมายต่างๆเหล่านั้นแล้วอวิชชาตัณหามันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> ความรู้แจ้งเห็นจริงกับการพิจารณานะ่ยมันเป็นคู่กันไปถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้แจ้งเป็นไง ดังนั้นเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วก็อย่าไปอยู่เฉยๆก็ต้องหาอุบายพิจารณาหาอุบายพิจารณาให้มันรู้แจ้งในสิ่งที่ตนยังไม่รู้เมื่อไม่รู้สิ่งใด ก็ค้นคว้าเพ่งพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทนต่อความเพ่งเมื่อเราเพ่งเข้าไปไม่ถอยมันก็เห็นแจ้งในสิ่งนั้นได้มันไม่หลบลี้หนีไปไหนหรอกลูกกับน้ำเนี่ยมันก็มีอยู่นี่แหละแต่เมื่อเราไม่เพ่งมันก็ไม่ เห็นโดยแจมแจ้งเมื่อมันเมื่อไม่เพ่งแล้วจิตมันไม่นิ่งเมื่อจิตไม่นิ่งแล้วเห็นอะไรก็เห็นไม่แจมแจ้งเหมือนอย่างสายตาอย่างนี้แหละถ้ากรอกสายตาไปไปมามาอยู่ี้เราจะมองดูอะไรไม่ชัดเลยเห็นก็จัแต่ว่าเห็นใบพอประเด็นแหละ ไม่รู้ลักษณะอาการสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงได้ต่อเมื่อเราจ้องสายตาไปแต่วัตถุอันเดียวนั้นเช่นนี้นี่ย่อมมองเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้โดยแจ่มแจ้งเลยมีรู้ลักษณะอาการของสิ่งนั้นได้ <c oughs> อันนี้สันใดก็ อ, อย่างนั้นแหละเมื่อเราเพ่งอยู่แต่ภายในนี่อย่างเดียวไม่ส่งใจไปทางอื่นให้มันเพ่งอยู่แต่เฉพาะในปัจจุบันนี้เพ่งดูร่างกายส่วนไหนมันก็เห็นร่างกายส่วนนั้นเพ่งดูกระดูกมันก็เห็นกระดูก อย่างนี้แหละงดูเนื้อดูเส้นเอ็นมันก็เห็นเส้นเอ็นเห็นเนื้อได้เนื้อคนกับเนื้อสัตว์มันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัเนื้อสัตว์นันมันละเอียดกว่าเนื้อคนน้อยนึงแังนั้นเนี่ย เลือดคนเลือดสัตว์ไม่แตกต่างกันเพราะนั้นเราเห็นเลือดสัตว์มาแล้วก็มาเห็นก็เพ่งดูเลือดคนได้ <c oughs> เพ่งเข้าไปมันก็เห็นอันนี้เลยว่าเมื่อเพ่งนามาทำแล้วก็เพ่งดูรูปทำ เห็นดูมันก็เห็นได้อันนี้ท่านเรียวกว่าตาในตาปัญญาไม่ใช่ตาหนังธรรมดาเราอบรมตาปัญญาให้เกิดขึ้นจากดวงใจนี้ <c oughs> ถ้าเราไม่อบรมมันก็เกิดเป็นดวงปัญญาไม่ได้ <c oughs> ที่พระบริเจ้าทรงตรัสว่าพระอัญญาโกลัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพระัญญากัญญะเมื่อได้ฟังพระธรรมจักจบลงไปก็เกิดความรู้ความเห็นดังกล่ามานั้นขึ้นในใจ เมื่อเกิดความเห็นอย่างนั้นขึ้นแล้วก็ไม่สงสัยแล้วในพุทธศาสนานี้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิคธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้จริงจริงไอ้ที่ท่านพระอัญญาโกณัญญะ ท่านเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านหมายเอากิเลสกรรมวิบากนี่นะกิเลสเป็นเหตุให้คนเราทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่ว มันอำนวยผลให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าวิบากกิเลสกรรมวิบากนี่จึงชื่อว่ามันไม่เที่ยงเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วมาตกแต่งร่างกายร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหน เมื่อไงเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แหละท่านท่านจึงเห็นลงไปว่ารันห่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานั่นแหละเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางความถือมั่นที่ว่าเขาว่าเรานั่นเสียได้ เมื่อปล่อยวางความถือมันสำคัญว่ามีเขามีเราได้แล้วความรู้ความเห็นแจ้งว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนแกนสารมันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งอริยมรรค แล้วเะนี้มันย่อมไม่เสือ่อมเรียกว่ารู้จริงกำหนดเวลาใดก็รู้เวลานั้นเห็นอยู่เวลานั้นดังนั้นเนี่ยพระโสะดาบันท่านจึงเรียกว่าเป็นนิยตตะบุคคลเป็นบุคคลผู้เที่ยงต่อพระนิพพานโดยตรงเ<ม>ที่ยงต่อสวรรค์เที่ยงต่อพระนิพพาน ไม่หมุนไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างเรือที่บุคคลปล่อยลงในน้ำออแล้วนั่งไปในเรือนั้นปล่อยตามไปตามกระแสน้ำไปแม้ไม่พาย นะ้มันก็พัดเรือนั่นไหลไปไปถึงทะเลหลวงนั่นหลยอันนี้ชั้นใดศรัทธาของพระโสดาบันนี่ท่านมีความเชื่อมั่นต่อข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้แล้วเชื่อมั่นต่อกรรมเชื่อมั่นต่อผลของกรรมเชื่อว่าทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว อันทำดีนะั่นทำน้อยมันก็ไม่เพียงพอมันต้องทำมากๆความเห็นของพระโสดาบันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ขยันในการบำเพ็ญบุญกุศลไม่ท้อไม่ถอยเลย <c oughs> ไม่มีเกียรคคลาสเนียนะพระโสดาบันนะเพราะว่าท่านมองเห็นทาง ที่จะพ้นจากทุกข์อยู่รอ ม, มลออยู่แล้วเหตุดังนั้นท่านจึงเดินไม่ถอยไอ <c oughs> ้ผู้ที่ไอ <c oughs> ้ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระโสดาบันก็นเมื่อรู้หนทางของพระโสดาบันแล้วหนทางที่จะไปสู่พระนิพพาน แล้วอย่างนี้ก็พยายามดำเนินไปไม่ท้อไม่ถอ ย, ม, ถอยมันก็มีสิทธิทจะบรรลุโสดาบันได้เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ย <c oughs> ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาท <c oughs> เมื่อไม่ประมาทแล้ว มึง ก, ก็ก้าวไปเรื่อยๆออการบำเพญ็ญกุศลคุณงามความดี <c oughs> ไม่มีถอยหลังไอผู้ที่ถอยหลังนั่นเขาเหตุว่าไปสะสมความเกลียดค้านไว้ในใจบ่อยๆฝึกฝึกตนให้เป็นคนเกลียดข้านนอนตื่นสายบิดขี้เกียจ เห็นเกรับเกรโนอนไออย่างนี้มันก็ น, น, นั่นแหละบุคคลผู้เช่นนั้นอ่ะทำความดีไม่ก้าวหน้าไปได้เพราะการทำความเพียรนี่ต้องให้มันติดต่อกันไปถ้าหากว่ามันขาดเป็นท่อนเป็นตอนแล้วมันยากที่มันจะก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อ <c oughs> รู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาท ธ, ธรรมถือความไม่ประมาทอบรมสติสัมปชัญญะนี่ให้มันแก่กล้าขึ้นในใจเสมอเสมอไปสติสัมปชัญญะนี่แหละจะเป็นธรรมเครื่องอุปการะแก่ธรรมทั้งหลาย ตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงก็อาศัยสติสัมปชัญญะนี่เองถ้าขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วทมอื่นก็เจริญขึ้นในจิตใจไม่ได้ดังนั้นให้พึ่งพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้เต็มความสามารถของตนของตน ดังกล่าวมา